เรื่องพระปุราณนะสมัยนั้นท่านพระปุราณนะเที่ยวจาริกอยู่ในทักคีนาคิรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0รูป ครั้นเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายสังคายนาพระธรรมและวินัยเสร็จแล้วท่านพระปุราณะพักอยู่ที่ทักขีนาคีรีชนบทตามอัธยาศัยเข้าไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายณพระเวรุวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤึกครั้นแล้วได้นั่งสนทนาอย่างบันเทิงใจกับภิกษุผู้เถระ อยู่หน้าที่สมควรภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระปุราณะดังนี้ว่าท่านปุราณะภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้สังขยาณาพระธรรมและวินัยแล้วท่านจงรับทราบเรื่องที่สังายาานั้นท่านพระปุราณะกล่าวว่าท่านทั้งหลาย ภิกษุผู้เถระทั้งหลายสังคายนาพระธรรมและวินัยดีแล้วแต่ผมจะทรงจำไว้ตามที่ได้ยินเฉพาะพระพักตามที่รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาค